มาที่นี่เนี่ยก็เพราะมีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นที่บ้านหรือที่ทำงานหรือว่าอาจจะที่อื่นแล้วก็คิดว่าการมาอยู่ที่วัดมันก็จะช่วยทำให้หลีกพ้นจากปัญหา ให้การมาที่นี่เนี่ยเพียงเพื่อหลีกพ้นจากผู้คนที่เราคิดว่าเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราการอยู่ที่นี่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าถอยมาตั้งหลักหรือว่าได้มาพักหลังจากที่จิตใจรุ่มร้อนสับสน บุ่นวายท้อทแท้เหนื่อยละมาที่นี่ไม่ต้องเจอกับปัญหาไม่ต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบขีน้หน้ามันก็ทำให้ได้พบกับความสงบแต่ว่าก็เป็นความสงบชั่วคราว ทำไม่ได้ทำอะไรกับใจของตัวเลยมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่เป็นแค่การหลีกหนีจากปัญหาจากครั้นต้องกลับไปสู่สถานที่เดิมสู่ชีวิตแบบเดิมๆ เ, เจอคนเดิมๆ ที่เรามีเรื่องกระทบกระทั่งหรือว่าเจอปัญหาที่ยังคาราคาซังอาจต้องไปเจอกับเพื่อนบ้านที่มีเรื่องราวทะเลาะบ่อแหวงกันมันก็จะเกิดความทุกเกิดความรุ่มร้อนหรือว่าเจอเกิดความเหนื่อยล้า ตามมาในเวลาไม่นานเด้วก็มีบางคนนะที่เขาพบว่ามันมีความคิดรบกวนจิตใจก็เลยอยากจะมาที่นี่นะเพื่อมาฝึกจิต อันนี้ก็ดีหน่อยนะก็คือมองเห็นว่าความทุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่มีอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดที่มันคอยรบกวนจิตใจ เราก็เลยมาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อมาหลบนี้ปัญหาแต่เพื่อมาฝึกจิตแต่ถ้าเกิดว่ามาฝึกจิตเนี่ยเพื่อต้องการขับไล่ความคิดเพราะคิดว่าไอ้ความคิดนี่แหละที่มันทำให้เราทุกข์ อันนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะจริงอยู่นะความทุกข์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนอกตัวจริงๆแล้วนี่มันกเ็เกิดเพราะความคิดนี่แหละแต่ถ้าหากว่ามาปฏิบัติเพราะหวังจะดับความคิด อันนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดซะแล้วนะหรือว่าต้องเป้าผิดในการปฏิบัติมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดไว้น่าสนใจท่านบอกว่าความเข้าใจผิดประการแรกหรืออันดับหนึ่งเลยนะของคนที่มาทำสมาธิภาวนาเนี่ย ก็คือเข้าใจว่ามาทำสมาธิเพื่อดับความคิดนั่นท่านว่า น, นี่เป็นความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งเลยท่นานมาก็เห็นด้วยนะมันเป็นความเข้าใจผิดอันดับแรกอันดับหนึ่งนะของคนที่มาฝึกจิตทำกรรมฐาน เพราะว่าความคิดนีมน่มันดับไม่ได้นะแล้วก็มันมันก็ไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเพื่อดับความคิดด้วยหลวงปู่ดูลท่านพูดไว้ดีท่านบอกว่าความคิดมันเกิดขึ้นเสมอเหมือนกับลมหายใจห้ามไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิด เอาแค่ว่าพอรู้อารมณ์รู้อารมณ์ในที่หมายเรีว่ารู้หรือรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอรู้อารมณ์แล้วเนี่ยจิตมันปรุงแต่งคิดนึกไปก็ให้รู้ทันเท่านี้ก็พอละ เป็นทัน้งกพูดเสริมว่านยอย่าฝัน ท, ทั้งที่ตื่นก็คืออย่าหลงคิดไปโดยไม่รู้ตัวอะไรที่ท่านพูดนี่สำคัญนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดเอาแค่ว่าเมื่อมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาหลังจากที่มีการกระทบการกระทบนี้หมายว่า ตากระทบรูปดินเสียงนะหรือว่าจมูกได้กลิ่นอันนี้เรียกว่ารู้อารมณ์แล้วพอมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ให้รู้ทันมันไม่ใช่ดับความคิดแต่ให้รู้ทันความคิดนะพูดง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยความคิดมันก็ไม่เป็นสิ่งเวลวร้ายนะ ถ้าเราคิดว่าปฏิบัติเพื่อดับความคิดเนี่ยก็แสดงว่ามีความเข้าใจว่าความคิดเป็นสิ่งชั่วร้ายสิ่งเลวร้ายยิงอยู่นะมันมีความคิดหลายอย่างที่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์ใจที่เราเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดเช่นไปคิดนึกถึงคนที่เขา การแกล้งเราทรยศหักหลังเราก็ทำให้โกรธนึกถึงความผิดพลาดในอดีตก็ทาให้เสียใจนึกถึงความสูญเสียก็ทำให้อาลัยโศกเศร้าถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์ไม่คิดมันก็ไม่โกรธไม่คิดมันก็ไม่โศกเศร้าแต่นั่นไม่ได้แปลว่าความคิดมันสิ่งที่ไม่ดีนะ ความคิดเนี่ยจะจะพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นบาวที่ดีแต่มันเป็นนายที่เลวมันมีประโยชน์นะถ้าว่าเราเป็นนายมันเราใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยถ้าเราจะแก้ด้วยตัวเองเราก็ต้องใช้ความคิดและต้องเป็นความคิดที่มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยมันถึงจะแก้ได้ไม่ใช่ว่า พี่จะบนบานสารกล่าวคิดที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอย่างนี้มันไม่ใช่ความคิดแบบนี้มันไม่ใช่แต่ถ้าเป็นความคิดแบบมีเหตุมีผลตรงตามเหตุตามปัจจัยความคิดยงนี้แหละนี่ที่เราใช้เนี่ยก็เพื่อถ้าเราใช้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาเรื่องการทํามาหากินปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือแม้จะไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการทำให้ชีวิตมันดีขึ้นสิ่งแวดล้อมมันดีก็ต้องอาศัยความคิดเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่การลงมือกระทำเพราะั้นความคิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้มันแต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าเราไปหลงเชื่อความคิดมากไป อันนี้ก็เรียกว่ามันกลายเป็นนายเรามันไม่ใช่เป็นบ่าวของเราแล้วและจยิ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ปลุกถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ทำให้เกิดปัญหาความคิดกับอารมณ์นี่มันเกื้อหนุนกันนะคิดบางอย่างทำให้เกิดอารมณ์โกรธคิดบางอย่างทำให้เกิดอารมณ์เศร้าคิดบางอย่างทาให้เกิดความ วิตกกังวลแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปปรุงแต่งความคิดนะเช่นถ้าเราโกรธเนี่ยมันก็จะมีความคิดเกิดขึ้นคือคิดทำร้ายหรือคิดร้ายอาจจะแค่คิดเฉยๆหรือว่าพูดร้ายต่อว่าด่าทอหรือลงมือทำร้ายที่ทำนี้ได้เพราะเราไปหลงเชื่อความคิด เราเป็นปหลงเชือ่อความคิดเนี่ยก็คือว่าความคิดมันเป็นนายเราแล้วถ้าเราเป็นนายความคิดเนี่ยเราก็จะรู้จักทักท้วงทัดทานหรือวเปลี่ยนความคิดนะถ้าคนที่เขาเป็นนายความคิดนี่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนเรื่องคิดได้อย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะ แม้ทั้งเด็กๆอย่างเด็กชายเงื่มหรืออาจารย์พุทธท่านในเวลาต่อมาเนี่ยก็รู้นะถ้าคิดถึงเรื่องผีสางเทวดาในยามค่ำคืนแล้วมันเกิดความกลัวทำไงจะไม่กลัวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องคิดมา น, นึกถึงปรกนะกาศเห็นภาพประกศาศขาที่เดินผ่าน ต้นไทรใหญ่ในยามค่ําคืนที่เ้าลือกันว่ามีผีดุเนี่ยเดี๋ยวใช้เงื่อนี้ก็แทนที่จะคิดถึงเสียงลือเรื่องผีหรือนึกถึงผีก็มันนึกถึงตากัดนะอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องคิดนะอันนี้คือเธอเป็นนายความคิดนะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะนายความคิด แต่ถ้าเราปล่อยความคิดเป็นนายนะพอมันคิดเรื่องผีก็หลงเชื่อหลายไปกับความคิดนั้นมันปรุงแต่งสารพัดก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ว่าความกลัวเดียวความโกรธความเกลียดความโลภหรือราคาก็เหมือนกันมันบ่อยครั้งก็เริ่มต้นจากความคิดถ้าพอให้ความคิดเป็นนายเราก็คือปล่อยใจไหลไปตามความคิดหรือปล่อยให้ความคิดมันบงการ บ่งการจินตนาการของเราบ่งการคำพูดและการกระทำอันนี้คืออันนี้างหากคือปัญหาถ้าความคิดที่ดีมันก็มีแ้าถ้าเรารู้จักใช้ความคิดมันก็เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อดับความคิด แต่เพื่อที่เราจะได้เกี่ยวข้องกับความคิดให้ถูกไม่ใช่แค่เป็นนายมันหรือสามารถควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช้ประโยชน์ยังไงนะใช้ประโยชน์ในการฝึกจิตฝึกสติใน้ความคิดมีประโยชน์นะมันเป็นอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการฝึกสติฝึก สร้างความรู้สึกตัวหลวงปู่เจียนั่นบอกนะอย่าไปห้ามความคิดนะยอมให้มันคิดแต่อย่าหลงไปกับความคิดหรือไหลไปกับความคิดให้ฝึกรู้ทันความคิดท่านบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่ที่มันถึงหลงคิดนะหรือเผลอคิดไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันเผลอคิดรู้ ในที่นี็หมายถึงรู้ทันความคิดให้ความคิดนี้มันนามาใช้ฝึกสติฝึกให้รู้ทันความคิดได้ใหม่ๆเนี่ยคิดไป9เรื่องนะหรือคิดไป10เรื่องเนี่ยรู้ทันแค่เรื่องเดียวหรือรู้ทันแค่ 10% อซอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะเราสังเกตดูเนี่ย เดินจงกรมก็ดีสร้างจังห ก, ก็ดีหรืออยู่นิ่งๆเฉยๆก็ดีมันคิดไปจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นคิดไป9เรื่อง10เรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ทันมารู้ทันเรื่องสุดท้ายนะคือเรื่องที่10นะอีก9เรื่องนี้ไม่รู้แต่วลาฝึกไปบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆนี่ มันคิดไป8เรื่องก็รู้แล้วไม่รู้7เรื่องนะแต่ไปรู้เรื่องที่8ก็ดีขึ้นนะถือว่ามีพัฒนาการต่อไปฝึกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยพอมันคิดไปแค่ได้2เรื่องก็รู้แล้วคิดเผอคิดไป2รู้ทันหนึ่งก็แสดงว่ารู้ทัน 50% ต่อไปนี่พอคิดแค่เรื่องเดียวไม่ทันจบเลยมันก็รู้ทันแล้วอันนี้เรียกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะมันดีกว่าคิดเยอะเนี่ยแต่รู้น้อยยังดีกว่าคิดน้อยแต่ไม่รู้เลยนะคิดเยอะแต่รู้น้อยหมายถาว่าคิดไปสิเรื่องก็มารู้แค่เรื่องเดียวรู้แค่10เปอร์เซ็นดีกว่าคิดน้อยแต่ไม่รู้เลยเช่น คิดแค่สองเรื่องแต่ไม่รู้เลยทั้งสองเรื่องไหลไปความคิดจนหมดเรื่องแล้วค่อยมารู้ตัวว่าเมื่อกี้หลงไปแนละ้วแล้วคนบางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัตินี่มันต้องคิดให้น้อยๆนะแต่ถ้าคิดน้อยแล้วไม่รู้เลยซักความคิดเนี่ยนี่ไม่ดีคิดเยอะนะแต่รู้น้อยยังดีกว่ามันดีเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราทําไปเรื่อยๆคิดสิบรู้หนึ่ง ก็ทำไปอีกนะคิดยี่สิบก็รู้สองคิดไปสามสก็รู้สามคิดไป4ี่สิบก็รู้สี่ไความรู้ที่เพิ่มขึ้นหนึ่งสองสามสีเนี่ยเนี่ยคือสิ่งสำคัญกว่าต่อไปคิดร้อยก็รู้สิบนะอย่าไปสนใจ90้าสที่มันหลงคิดนะและไม่รู้สนใจไอสิสความคิดที่รู้ทันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราทำไป ร้อยมารู้สิบคิดร้อยไปรู้สิบคิดพันรู้ร้อยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีการพัฒนานะรู้จักสิบเป็นรูปรู้จักสิบเป็นรู้ร้อยเนี่ยแล้วมันทาให้มีสติรู้ทันได้ไวขึ้นได้ไวขึ้นและต่อไปมันไม่ใช่แค่รู้สิบคิดสิบแล้วก็รู้หนึ่งะต่อไปมันคิดสิบก็รู้สอง หรือคิดแค่เจ็ก็รู้หนึ่งมันจะรู้ทันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนันคิดความคิดเนี่ยแม้จะเป็นความคิดที่เผือคิดมันก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันเพื่อฝึกสติเพอตะนนี้นนหลวงพ่อเชิท่านก็เลยบอกว่านี่จะไปห้ามความคิดอันนี้ให้มันคิดได้ก้อนคมคือว่าพอมันคิดไปแล้วก็ให้มารู้ทันแม้จะรู้ช้า แต่ก็ดีกว่าไม่รู้เลยแม้จะรู้น้อยก็ดีกว่าไม่รู้เลยเพราะรู้น้อยแต่ถ้าทําเยอะๆทําเยอะๆมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังการปฏิบัติเนี่ยนะท่านถึงมาถึงเน้นว่าอย่าไปห้ามความคิดครูบาอาจารย์หลายท่านก็เหมือนการทัศนศึนนกษว้นนเนี่ยปฏิบัติไม่ไม่ใช่เพื่อดับความคิดซึ่งมันตรงข้ามกับความเข้าใจของคนทั่วไปหลายคน เข้าใจว่ามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มีความคิดและพอมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้สึกไม่สบายใจและยิ่งความคิดมันเยอะก็ยิ่งรู้สึกว่าการปฏิบัติไม่ก้าหน้าและมันไม่ใช่แค่นั้นนะพอมันพอคิดพอเข้าใจว่าคิดพอเข้าใจาปฏิบัติเพื่อดับความคิดพอมันมีความคิดขึ้นมาก็พยายามไปกดไปข่มพยายามบังคับจิตไม่ให้คิด ผลสุดท้ายก็เกิดความเครียดเพราะจิตมันไม่ยอมจิตมันพยิยศจิตมันต่อสู้จิตมันขัดขืนนะเหมือนกับวัยรุ่นน่ะยิ่งห้ามก็เหมืนก็ยิ่งยุยิ่งห้ามวัยรุ่นมันก็ยิ่งต่อต้านขัดขืนคนเป็นแม่นี่เดี๋ยวนี้เหนื่อยมากเพราะไปคิดแต่จะไปห้ามเด็กห้ามลูกท่านสอนว่าเนี่ยมันจะคิดก็คิดไปผู้ใหญ่คือว่าอนุญาตให้มันคิดได้แต่จะไปหาเรื่องคิดอนุญาตให้มันคิด อ น, นุญาตให้มีอารมณ์ต่างๆได้แม้จะเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบทำไมถึงอนุญาตนะเพราะหนึ่งเราห้ามไม่ได้และสองเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าเราใช้มันให้เป็นคือใช้เพื่อฝึกสติทีแรกก็รู้ทันความคิดต่อไปก็รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนี่มันรู้ง่ายนะมันรู้ง่ายกว่ารู้ทันอารมณ์เพราะเวลาเราคิดนี่เราคิดเป็นภาพเราคิดเป็นคํา แต่เวลาอารมณ์เกิดขึ้นนี่มันมันไมไ่เป็นภาพไม่ได้เป็นคำนะแต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันทวงทวงหรือว่าบีบคั้นใจอันนี้พอเรานอกจากเราอนุญาตให้มันคิดแล้วเนี่ยแล้วพอมันคิดพอความคิดเกิดขึ้นและอารมณ์เกิดขึ้นทำยังไงต่อก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็แค่รู้เฉย รู้โดยที่ไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไปไหลาตามมันอันนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราถูกฝึกมาที่กถูกฝึกมาเพื่อกดข่มความคิดเราใช้วิธีนี้เวลาเกิดความโกรธก็กดข่มความโกรธเวลาเกิดความยาวก็กดข่มมันเราใช้มาตั้งแต่เล็กโตแล้วก็ยังใช้อีกพอมาปฏิบัติก็ยังใช้อีกมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่า มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่าแค่รู้เฉยๆอาการอ น, นุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้อ น, นุญาตให้อารมณ์เกิดขึ้นได้ยังก็เป็นเรื่องที่ยากแลวนะสาหรับคนทั่วไปแต่ที่ยากกว่าคือการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแต่เพราะยากสจเราถึงต้องมาฝึกเนแล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจนะไม่ยอมให้ความคิดมันเกิดขึ้นไม่ยอมให้อารมณ์มันเกิดขึ้น แล้วพอมันเกิดขึ้นก็พยายามกดข่มมันพอกดข่มไม่ได้ก็รู้สึกทอ้อแท้ก่อนที่จะทอ้อแท้ก็มีความเครียดต้องมาสร้างนะต้องมาสร้างนิสัยใหม่นะปรับกันใหม่เลยนะคือว่าอนุญาตให้มันคิดได้อนุญาตให้มันฟุ้งได้คนเดี๋ยวนี้นี่ทำใจในเรื่องนี้ยากนะ มีบางคนนี่เป็นพวกที่ขยันทำงานมากถึงเวลาที่จะพักผ่อนใจมันก็ไม่ยอมนะทั้งที่ตัวก็เหนื่อยล้ามีคนหนึ่งบอกเนี่ยทำงานเยอะอยากจะพักบัางแต่ใจมันก็ต่อต้านวนะ่าจะพักทำไมมีงานต้องทำนั่นเยอะแต่ใจนี้บอกว่าเนี่ยควรจะพักเพราะเราทางานมาเยอะแล้ววิธีพักก็คือดู ดูหนังนะเป็นการพักใจพักจากงานการดูหนังสองชั่วโมงบอกตัวเองว่าอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนมาแต่ดูไปไม่กี่นาทีนี่มันคิดถึงงานขึ้นมาเลยใจก็บอกว่าอันนี้ให้ตัวเองได้พักผ่อนหน่อยเพราะเขาว่ามันไม่ยอมนะมันจะคิดถึงงานอย่างเดียวเลยพยายาม ปัดความปัดงานออกไปจากความคิดแต่เราก็รู้สึกผิดนะที่เรามาดูหนังรู้สึกผิดที่ไม่เอาเวลาไปทำงานไม่อบอกว่าเนี่ยดูไปสองชั่วโมงนี่ปรากฏว่าพักก็ไม่ได้พักงานก็ไม่ได้งานเลยไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะใจแม่อนุ ญ, ญาตให้พักผ่อนเดี๋ยวนี้ขนาดนี้นะ เป็นกันมากเลยเพราะนั้นก็เลยเกิดความเครียดหนักจนถึงกระทั่งจิตสลายเสียศูนย์หรือซึมเศร้าไปเลยให้เป็นกันเยอะมายิ่งนับปฏิบัติด้วยแล้วนี่หลายคนนี่ก็การจะอนุญาตหรือยอมให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้อารมณ์เกิดขึ้นได้นี่ไม่ยอมนะอาจจะเราติดดีก็ได้หรือว่าไป เกิดความเข้าใจผิดๆนะว่าปฏิบัตินี่มาต้องดับความคิดนั้นก็ต้องตั้งหลักเสียใหม่นะทำใจให้ถูกยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดใดบวกหรือลบอารมณ์ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีกุศลหรือกกุศลแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันก็แค่ดูมันเฉยๆวิธีนี้แหละมันจะทาให้สติค่อยๆโตไวและความสึกตัวก็ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยนะให้ทำความเข้าใจให้ดีนะว่าเราไม่ปฏิบัติเพื่อดับความคิดแต่เพื่อให้รู้ทันความคิดความคิดเนี่ยมันเป็นเบาที่ดีแต่เป็นนายที่เลวมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายไปหมดอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรใช้มันให้ถูกมันก็เกิดประโยชน์และสรับการปฏิบัติเพื่อจเจริญสติเนี่ย เป็นวัตถุดีที่จำเป็นมากเลย